ถ้าหนูพูดอะไรผิดหนูก็กลับขอขอมานะะ <laughs> หนูเป็นแบบว่าน่าจะเป็นตัวเล็กๆที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษามากๆเลยะคะ่ะ <laughs> ก็ทุกในความรู้สึกของเตยใช่ปะคะก็คือคือช่วงที่ผ่านมาค่ะพี่อ้อมหนูเห็นตัวเองว่ามันมีความคิดนะคะอย่างที่ท่านอาจารย์ประมวลพูดว่าวงแต่งนะคะ เตรู้สึกว่าต้ยเป็นนักปรุงแต่งมากๆเลยค่ะ <Okay. S 2> คือพอมันมีความคิดเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บมันแตกออกไปแบบปึ๊บปึ๊ ป, ป๊อย่างเงี้ยค่ะออกไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมันก็มองเห็นว่าเออไอการปรุงแต่งของเราเนี่ยแหละมันทำให้เราเป็นทุกข์เหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามะคะ่ะอย่างเมื่อกี้ที่นั่งฟังฟังอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คิดไปว่าเราจะพูดอะไรต่อแล้วก็วิเราจะพูดหิดไหมเราจะอะไรเงี้ยค่ะคือมันมันไปเรื่อยๆของมันนะคะความคิดที่ที่ปรุงแต่งอะคะ่ะสําหรับเตย แสดงว่าการประสบความสาเร็จในชีวิตช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กที่เราได้มามันไม่ได้ช่วยให้ทุกมันหายไปเลยใช่ไหมะคะนะคะแล้วตอนนี้ทุกคลายขึ้นไหมคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นแล้วค่ะนะคะอาจารย์อยากจะแนะนำน้องเต้ยในฐานะลูกหลาน ว่ายังไงคะกับทุกขของน้องที่เขามีอย่างเนี้ยที่ต้องมานั่งข้างอาจารย์หนูหนูกเกรงมากหนูเมื่อกี้หนูบอกว่าหนูอยากจะลงไปนั่งข้ง า, าว่าแต่เต้ยเกรงเลค่ะพี่ก็เกรงตั้งแต่ตรงนูน้นพี่ดีใ จ, ใจที่มีเต้ยมากเลยค่ะเราเป็นเพื่อ น, นร่วมทุกันสองคนพี่อ้อมพี่ออมหนูจะพูดอะไรดีอ่ะเค่ะเราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เห็นไหมคะบางทีมันก็ดีอย่างนี้ยค่ะคือความจริงเป็นปกตินะครับโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ในช่วงเยาว์วัยเราอยู่ในโลกที่กว้างเพราะฉะนั้นเราจะต้อง ท่องโลกกว้างการท่องโลกกว้างเนี่ยมันเป็นต้องใช้ความคิดครับยิ่งโลกห่างไปจากตัวเรามากเท่าไหร่เราก็ต้องใช้ความคิดมากละเอียดขึ้นเท่านั้นนึกถึงภาพนะครับว่าที่เรารู้ถึงเรื่องจั ก, กรวาลเรารู้ถึงแกาแล็กซี่หลังนี้เป็นเรื่องความคิดทั้งนั้นครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยที่เมื่อเราเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วเราจะท่องไปในโลกกว้างแต่ตอนนี้เรากําลังมาพูดเพียงแค่ว่าไม่ว่าเราจะไปไกลสักเพียงใดแต่เราก็ต้องกลับมาสู่ตัวเราเอง ที่นี่ในตัวเราเองนี่แหละครับที่เราไม่จําเป็นต้องใช้ความคิดแต่เนื่องจากว่าเราเคยชินกับการที่เราท่องไปในโลกกว้างและเราก็ใช้ความคิดเป็นผานะในการเดินทางในครั้งนั้นแต่เมื่อเราจะกลับมาสู่ตัวเราเองอย่างเมื่อะกี้ที่น้องเต้พูดถึงเนี่ยครับก็คือการกลับมาสู่ตัวเองกลับมาตัวเองว่าจะพูดอะไรนี่ก็เป็นความหมายที่สําคัญนะครับแล้วเราจะเริ่มรู้สึกตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยครับที่เราสามารถพูดได้ที่จไม่ต้องใช้ความคิดมากมายเลยเลยค่ะก็คล้ายๆกับว่า เราได้ตัดไอ้สิ่งที่มันออกไปแล้วก็เดึงกลับมาอยู่กับตัวเราใช่ไมคือไม่ว่าเราจะไปเที่ยวไกลที่ไหนเราต้องกลับบ้านครับแม้เราเป็นคนหลงทางและไม่มีบ้านเป็นคนหน้าสงเพศเวท น, นาสงสาร <c oughs> เป็นอย่างยิ่ง <c oughs> สุดท้ายยิ่งเที่ยวไกลเท่าไหร่ก็ต้องยิ่งกลับบ้านครับและในการเดินหนทางกลับบ้านเนี่ยครับพอกลับมาถึงบ้านแล้วเราจะรู้สึกสบายผ่อนคลายและความรู้สึกของเราก็คือโล่ไม่ว่ากว้างสักเพียงใดแต่เราต้องการที่เพียงไม่ต้องกว้างมากแต่เป็นที่ที่เรามีความรู้สึกที่ผ่อนคลายครับ งั้นแปลว่าการปฏิบัติธรรมอันนี้เต้ยขอถามนะคะการปฏิการปฏิบัติธรรมหมายถึงว่าเราดึงตัวเองกลับมาที่บ้านได้มากมากแค่ไหนก็ถือว่าเรามีความสุขใ ช, ใช่ไหมใช่ถูกต้องครับคือเราจะสนุกเมื่อเราไปเที่ยวไกลไปเที่ยวในที่แปลกๆได้ผจญภัยแต่เรานึกถึงภาพสิครับถ้าใครไปท่องเที่ยวหลังนั้นโดยไม่กลับบ้านเลยชีวิตเขาจะเป็นเช่นไรที่เราไปเที่ยวเล่นสนุกเพราะเรารู้ว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับบ้าน นะครับนี่ผมเพิ่งไปเที่ยวคุณหมอเบิร์ตมาเนี่ยครับและสุดท้ายเรากลับบ้านครับ <Okay. S 2> และสุดท้ายเมื่อเรากลับมาถึงบ้านเนี่ยครับเราจะพบว่าสภาวะที่บ้านของเราครับเราไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากเลย <Okay. S 2> และเราสามารถที่จะมีชีวิตอยู่ในความหมายนั้นได้ผมก็เชื่อนี่คือศิลปะในการดํารงชีวิตอยู่และเป็นศิลปะที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ <Okay. S 2> เพราะม่เชนั้นแล้วชีวิตของเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยและชีวิตเราต้องตกกระทำลำบากเป็นที่สุดถ้าเราไม่รู้จักหนทางกลับบ้านจะ <Okay. S 2> ได้ไม่หลงทางครับ เห ม, erm มือนบ้านเป็นที่ที่เราจะเป็นปกติได้มากที่สุดใช่ไหมคะเป็น<ม><ม>ตัวเราที่เป็นปกติและสุดท้ายเมื่อเราอยู่ในบ้านเราเหมือนกับไม่ต้องเป็นตัวกระโทษนะครับเมื่อเรากลับมาถึงบ้านเราเปลืองเสื้อผ้าเราจะทํายังไงก็ได้แต่ในขณะที่เราอยู่นอกบ้านเราไม่สามารถทําเช่นนั้นได้แต่เมื่อเรากลับมาสู่บ้านของเราเองเนี่ยนะครับเราจะกินเราจะนอนเราจะเหยัดแข้งหยียดขาเราจะทํำยังไงก็ได้ขอให้เรามีพื้นที่แบบนี้อยู่ในใจเราครับแล้วเรากลับมาสู่พื้นที่นั้นครับเราไม่เป็นอะไรเลยเมื่อเรากลับมาสู่บ้านตอนเราอยู่นอกบ้านเราจะเป็นนั่นเป็นนี้นะครับแต่เเเเเมมืื่่อออกกกลัััับบบาาาาสู้นน็็ครรปตตววง อย่าไรคะถ้าพก บ, บ้านไปด้วยเราก็ควรจะพก บ, บ้านเราไปด้วยตลอดเวลาใช่ไหมคะจริงๆเราควรจะมีเช่นนั้น <c oughs> คือไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับเมื่อถึงจังหวะหนึ่งเราต้องสามารถกลับมาสู่ใจของเราเองได้ <c oughs> ใจของเราที่ไม่จําเป็นต้องคิดปรุงแต่งอะไรมากมายเลย <c oughs> เพราะเวลาเราพูดถึงสิ่งข้างนอกนะครับ <c oughs> ที่เรียกว่าส่งจิตออกนอกเนี่ยนะครับนั่นคือส่งจิตไปโดยกันความคิด <c oughs> แต่เมื่อเราดึงจิตกลับสู่ภายในนะครับเราจึงไม่ต้องใช้ความคิด <c oughs> ที่ผมบอกว่าทําไมจึงต้องเป็นหลวงพ่อคําเขียนก็เพราะความหมายนี้ครับ ความหมายที่ผมซึ่งเป็นคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโลกใบนี้ด้วยการเช็คความคิดอยู่ตลอดเวลาและวันหนึ่งเมื่อผมพบหลวงพ่อคำเขียนปุจึงพ บ, พบว่าเราไม่จำเป็นต้องคิดเราก็สามารถจะรู้ความหมายแห่งชีวิตนี้ได้